พระปเจกับพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะปราศจากราคะโดยส่วนเดียวเป็นอย่างไรพระปเจกับพุทธเจ้านั้นชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากราคะโดยส่วนเดียวเพราะท่านละราคะเสียแลแ้วด้วยอะไรอรหัตตมรักน่นะชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวเพราะท่านละโทสะเสียได้ด้วย อนาคามิมักชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวเพราะท่านละโมหะเสียได้แล้วด้วยอรหัตตมัชชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเพราะท่านละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมัชพระปเจกพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะละราคะโทสะโมหะกิเลสความเศร้ามองโดยประการทั้งปวง ต่อไปพระประเจกับพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะเจริญเอกายนามัคเอกายนามัคเนี่ยนะเอกายโนอายังพิคเวเนี่ยนะเอกายโนเอกายณะเนี่ยแปลว่าทางสายเดียวอารยมรคที่เป็นทางสายเดียวเท่านั้นหมายถึงอะไรสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทิบาทสีอินรียห้าะละหโพชฌงเจ็อริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์8 สรุ ว, ว่าพระอริยทั้งมวลท่านล้วนแต่เจริญโพธิปักจคยธรรมจึงตรัสรู้มันผู้เดียวไปตามโพธิปัจคยธรรมปล่อยกายและใจให้เล่นไปตามโพธิปักจคยธรรมแต่เพียงผู้เดียวยนะเรียกว่าดาเนินไปในโพธิปักจคยธรรมได้แต่เพียงผู้เดียวเนีย่ยนะแต่เป็นคาถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นธรรมะอันเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นไปแห่งชาต คือพระนิพพานคือพระองค์ตรัสรู้นิพพานแล้วพระองค์นี้ทรงอนุเคราะห์คือกรุณาด้วยใจที่เป็นเมตตาคือมีกรุความกรุณาพระไท่เกื้อคูลน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้พระองค์ทราบธรรมะอันเป็นทางทางคือข้อปฏิบัติเนี่ยนะที่ที่ไปแห่งบุคคลผู้เดียวในปางคอรพุทธาที่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพุทธสาวกข้ามแล้ว พระอริยะทั้งหมดที่เคยมีในอดีตท่านข้ามแล้วพระอริยะทั้งหมดที่จะข้ามต่อไปในอนาคตพระอริยะที่กำลังข้ามอยู่ในปัจจุบันพระอริยะเหล่านั้นที่ข้ามโอคาสีก็ข้ามด้วยโพธิปัจิยธรรมเหล่านี้แลเนี่ยนะพระอริยะทั้งมวลท่านล้วนแต่ข้ามด้วยโพธิปัขจะธรรมนั่นเองนั้นก็เลยเรียกว่าพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า เ, เป็นเพียงผู้เดียว เป็นไปตามเอกายนามมัคคือโพธิปัจจิยธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งปัจเจกสัมโพธิยานอันยอดเยี่ยมอย่างไรบอกว่ายานในมัคสีเนี่ยนะตรัสรู้ยานอันยอดเยี่ยมจเจกับโพธิยานนั้นเป็นชื่อของปัญญายานในมัคสีเนี่ยนะยานในโสดาปติมัคอะนะปัญญาในโสดาปติมัค ปัญญาในสกทาคามิมักปัญญาในอนาคามิมักและปัญญาในอรหัตตมักเนี่ยนะปัญญานั้นเรียกว่าปัญญาปัญญินรียปัญญาภละธรรมวิจยสัมโพชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งคือวิปัสนาเนี่ยนะสัมมาทิฐิท่านกล่าวว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระปเจกผู้เท่าเจ้าเครื่องมือของท่านเนี่ยนะเครื่องมือในการตรัสรู้ในโพธิปัจจะธรรมมีอะไรบ้าง ปัญญาภละปัญญินรี์ธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังสาธิปติสัมมาทิฏวิปัสนาเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกเรียกปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระปัเจกพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วซึ่งสัจจะทั้งหลายคือทุกขะทุก ข, ขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจด้วยปัจเจ ก, กพุทธิยโพธิยานท่านตรัสรู้ว่ายังไงใครอยากตรสรู้ตามก็ฟังดู ตรัสรู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาทำทั้งปวงเป็นทุกสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอนิจจาอันนอนิจจาวัตสังขาราอันเดียวกันนั่นแะตรัสรู้ว่าอวิชชาปัจญยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมี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 ท่านก็ตรัสรู้ไปว่าเพราะอวิชชาดับโดยไม่ส่วนไม่มีส่วนเหลือสำรอกวิราค้าโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายยตนะก็ดับถ้าสลายยตนะดับผัสสะก็ดับเพราะผัสสะดับเวทนาดับเพราะเวทนาดับตัณหาดับเพราะตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับ ชรามรณะจึงดับตรัสรู้วันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโรธถาขามินีปฏิปทา อ, อริยสัจสีเหล่านี้ก็อย่างที่เมื่อวานเราเรียนนะชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถาขามินีปฏิปทา <symmetric> ชาติชาติสมุทยัยชาตินิโรธชาตินิโรธ ถ, ถาขามินีปฏิปทาพบ พบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธคามิหนีปฏิปทาอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรตตันหานิโรธคามินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทา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 วิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคารมินีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขารนิโรธสังขารนิโรธคารมินีปฏิปทาอาวิชาอาวิชาสมุทัยอาวิชานิโรธอวิชานิโรธคารมินีปฏิปทานิอาสวะอาสวะสมุทัย อาสะวะนิโรธอาสะวะนิโรธาคามินีปฏิปทาในการตรัสรู้เหล่านั้นตรัสรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรละนี้ควรเจริญหรือว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทําให้แจ้งนี้ควรเจริญท่านยังตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัสาธ า, าอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหคือตาหูจมูกเลนกายใจ ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอนัสมุทยังฆาอัฏฐังคมะอัฏสาธาอาธีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัฏสาธาอาธีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ตรัสรู้ว่ายังกินจิตสมุทยะทำ ม, มังสับพันทางนิโรธธรร ม, มัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นรู้ทั้งแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาท่านตรัสรู้ดังกล่าวไปทั้งหมดไม่มีใครบอกเลยรู้ได้ยังไงนะเก่งจริงเลยของเราอ่านทั้งอ่านทั้งฟังทั้งอะไรบอกก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยนะต่างกันอย่างนี้แหละก็มีหนา้าเราเราก็เลยนับถือคนที่เขารู้นะเราก็นับถือท่านอยู่แล้วขอนอบนอบ้าอมแต่พระอรหารทั้งหลายเนี่ย น, นะ ตรัสรู้ตรัสรู้พร้อมถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งทำที่ควรตรัสรู้ควรตามตรัสรู้ควรตรัสรู้พร้อมควรถูกต้องควรทําให้แจ้งนั้นทั้งหมดด้วยปัจเจกโพธิญาณญาณที่ตรัสรู้โดยโดยลำพังเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพรพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าผู้เดียวตรัสรู้ปัจเจกโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมเมื่อท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วท่านทํำยังไงต่อไปท่านก็เที่ยวไป เจริญาเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเที่ยวไปเนี่ยไปยังไงเดินไปเรื่อยเลยใช่ไหมเก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเลยเอา้าวก็เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวไงทำวีซา่าพาสปอร์ตไปคนเดียวเลยประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งไม่บอกอําลาใครทั้งนั้นนะ่ไม่ใช่หรอกในที่นี้หมายถึงว่าเที่ยวไปด้วยธรรมะแปดประการ นึอิริยาบทจริยา2 อ, อายตนะจริยา3 ส, สติจริยาสสมาธิจริยา5ญาณจริยาหกมัคจริยา7ปฏิปปิจริยา 8. โลกะทะจริยานนะกัไหนไหนจะเที่ยวไปก็ต้องเที่ยวให้มันครบแนี่สิน่ น, นะหนึ่งที่เรียกว่าโดยอิริยาบทจริยาส่วนใหญ่ทั่วๆไปเราจะรู้อยู่อันเดียวนะรู้โดยอะไร อิริยาบดเจริยายืนคนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวรู้แต่เที่ยวแบบนี้นะรู้แต่เที่ยวแบบนั่งไปเดินไปนอนไปรู้แค่นี้แหละต่อไปเที่ยวไปในภายในอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกเรียกว่าอายตนะจริยาเที่ยวไปเอาตาไปดูสีเอาหูไปฟังเสียงเอาจมูกไปรู้กลิ่นเอาลิ้นไปรู้รสเอากายไปรับกระทบเอาใจไปนึกคิดเรื่องราวต่างๆนะการไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอายตนะจริยา นี่ต่อไปการเที่ยวไปด้วยสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าสติเจริยาเนี่นะเที่ยวไปเนี่ยดำรงอยู่ในสติปัฏฐานสี่เที่ยวไปด้วยฌานสี่เรียกว่าสมาธิเจริยาเที่ยวไปในอริยสัจสี่ด้วยปัญญาเนี่เรียกว่ายาณจเจริยาอริยมรรคเกิดขึ้นเป็นการเที่ยวไปในมรรคสี่ชื่อว่ามักคเจริยาถ้าได้สามัญญผล 4, สี่โสดาปฏิผลเป็นต้นเรียกว่าปฏิบัตเจริยา นะถ้ปฏิบัติจริงก็สามัญญผลโลกถจริยาอันสุดท้ายหมายถึงว่าความประพฤติ ท, ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะความประพฤติของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกส่วนพระพุทธเจ้านั้นประพฤติประโยชน์ทั้งหมดแก่สัตว์โลกพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทําได้เฉพาะบางส่วน น, นะพระพุทธสาวกทั้งหลายก็ ประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเฉพาะบางส่วนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมทําได้สิ้นเชิงเอาแล้วพระประเจกับพระพุทธเจ้าไปส่งเคราะห์ชาวโลกได้อย่างไรก็เนื่องจากว่าท่านนั้นเป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะเป็นนาบุญของโลกท่านบริโภคปัจใจสี่ของผู้ใดก็เท่ากับหยิบยื่นตําแหน่งมหาเศรษฐีหยิบยื่นตําแหน่งจักรพรรดิไปให้บุคคลผู้ทําบุญเพราะท่านไปที่ไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ ชาวโลกมันท่านมีชีวิตอยู่ยาวขนาดไหนบริโภคปัจจัยสีของผู้อื่นเพียงใดก็นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาเรียกว่าเหมือนยิ่งกว่าคุมทรัพย์เคลื่อนที่ว่างั้นนะนตำแหน่งเศรษฐีตำแหน่งพระราชานี่เคลื่อนที่ไปกับตัวท่านเพราะผู้ใดนอบน้อมท่านนั่นเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงผู้ใดกราบไหวบูชาท่านก็เหมือนกันผู้ใดถวายปัจจัยส่นั่นก็เป็นเหตุแห่ง โทษขัพ์ผู้ใดทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาสามารถตรัสรู้ตามท่านได้ในที่สุดเพราะว่าท่านทำํำชีวิตของท่านเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกแต่ความสามารถของท่านมีเฉพาะส่วนเฉพาะในส่วนของความปฏิบัติ ด, ดีแต่ไม่ได้สั่งสมบุญมาที่จะสอนผู้อื่นนะไม่มีอัธยาศัยอธิบายลำดับเพิ่มเติมอีกว่าความประพฤติของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะ ตั้งตนไว้ชอบเรียกว่าอิริยาบดจริยาเป็นการตั้งเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะส่วนความประพฤติของบุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายชื่อว่าอายตนะจริยาก็ตั้งอินทรีย์สังวรเลยใช่คุ้มครองว่าถ้าตาเห็นรูปต้องไม่มีอภิชาและโทมนต์หูฟังเสียงต้องไม่มีอภิชาและโทมนั์จมูกรูก้กลิ่นต้องไม่เป็นไปกับ อาภิชาและโทมนัตลิ้นรับรู้รสต้องไม่โลภไม่โกรธมันงั้นฮะไม่มีอภิชาและโทมนัตกายรับกระทบโพธภะก็นะไม่มีอาภิชาและโทมนัตใจนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอาภิชากับโทมนัตส่วนความประพฤติของบุคคลผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าสติจริยาราะคนที่ไม่ประมาทนี่แหละจึงเจริญสติปัฏฐานได้นะ เ, เจริญสติปัฏฐานได้ ส่วนบุคคลผู้ขวนขวายในอธิจิต น, นะนี่แหละชื่อว่าสมาธิจริยาที่เรียกว่าเจริญฌานสี่ น, นะเจริญฌานสีขวนขวายในการอบรมสมถะเพื่ออุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิความประพฤติของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ชื่อว่าอายตนะจริยา น, นนะีก็คือรู้อะไรรู้อริยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อแทงตลอด อริยสัจทั้งหลายเพราะยานในอริยสั์ทั้งหลา ย, า ย, า น, ย, าลายนี่แหละเรียกว่าพุทธญาณจริยามีเพราะเพราะเป็นคนนั้นอะ่เะเขถึงพร้อมด้วยพุทธิคือความรู้ส่วนความประพฤติของบุคคลผู้ปฏิบัติชอบชื่อว่ามัคคัจริยาเนี่ยนะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติผู้ใดที่ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติก็จะบรรลุอริยามรรคโดยชอบส่วน การประพฤติของบุคคลผู้บรรลุอริยผลคือสามัญญผลมีโสดาปิตผลเป็นต้นแล้วเป็นปฏิบัติจริยา